เมื่อทำถูกทางทำถูกวิธีี ก, ก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเรียกว่าเริ่มมีต้นทุนเเหมือนเ ข, เขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของมันละทิ้อแล้วลยิ่งเลื่อยออกมาเป็น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 คือความสงบมีผลดีอย่างไรเห็นไหความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนีให้พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าหน้าไปเดินหลักหรือพยายามปุ้ยเสียสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจหรือชำละจากสารลั่นออกโดย ล, ลํยานักลำหนักจิตก็มีความสงบแน่วแน่ลงไป ส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินัน้นมันเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายใิจิตใจที่เรียกว่าสันคิสโขให้เห็นเองสําหรับผู้ปฏิบัติเถอะความสุขความสมายหรือความอาศัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกําระซักฟอกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอศัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่ม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 ความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยเลือละเอียดต่างกันเป็นระดับหนึ่งท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตคี่มนจิตไม่ค่อยโอนเพราะเอ็นอะไรนักละเพราะมีหลัก มีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตเรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นจังสบายพอจิตมีความสมายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสมบายเป็นลำดับหนาลำดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยยึดตกวีิจารว่าจะโอดาขาดแคลน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 อ่อนเพลียแล้วก็พักเป็นการพิจารณาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตก็ามาสู่ความสงบแล้วภาคเสียหลังนั้นเราจะพิจรารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจรา Shiny, รณาเลยนะช้ำช้ำซากซาก Glass, ไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความดิ้ถือี่ถึงจะจะยากจะลําบากยังายก็ตามเมื่ อ, <Ang. S 1> อ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 บังคับให้ยุดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออมานะี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสำคัญถือเอาความรอบเป็นสำคัญแล้วการเตี้ยที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายหล่งนี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปกายของเราทั้งกายนั่นะเก็บที่ตรงไหนกับกายของเรานี่ ก็เป็นทุกข์ของเราชะเทินเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะฉนั้นเป็นต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับเราสิ่งภายนอกยังกายแสนไังกายสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่งเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกลมายาของสิ่งเหล่านี้อเดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเสี้ยถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงอืหลงไปยึดไปถือ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 อริชาปฏิยาสร้างขาราสร้างขาราปฏิ ย, ยาวิญญาณวิญญาณปัินาณมรูปังเรืยบบๆเรื่ยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นธรรมะทิฏิภูตัตงอวิชาปฏิยาสร้างขาราท่านทิฏฐิภูตังหมายถึงจิตอวิชาอาศายัยจิตเป็นอวิชาปัิยาสร้างขาราขึ้นมาเพฉะนั้นจึต้องพิจารณาลงไปที่ น, นั่นลงไปที่อวิชาปฏิยาสร้างขารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิต